2. พระมาณาสูตรว่าด้วยข้อบัญญัติของพรามหนึ่งันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติอุทยาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความเจริญพวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่า มาเถิดพ่อมหาจำเริญท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรูเดินบายหน้าไปทางทิศปราจีนอย่าหลีกบ่อเหวตอที่มีน้ำหลุมคูดบ่อโซโครคท่านตกลงไปในที่ใดก็พึงรอความตายในที่นั้นแหลด้วยอุบายอย่างนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติ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 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยสีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้แลคืออุทยาคามินนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับ เพื่อรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานพระมณสูตรที่สองจบ